เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงถตทางของพระนิพพานกันทุกๆุกคนนะจ๊ะให้นั่งคัศมะโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆคอลูก อย่าถึงกับให้ปิดสนิทออสบายสบายคลาคล้ากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า ก, กดลูกในตาแล้วกระทำแสงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่อ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันของพระสมมาสมุทรเจ้าเราจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ผองใสให้ในใจของเรามีแต่ สมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะแล้วก็สมมติว่าภายในร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคลายท่อแก้สไสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรง กรวงภายในคลายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีงามบุญบารมีสามสิบทัศที่เราได้สั่งสมอบอรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ สร้างบุญบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ทุนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รวมกับอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรยัยได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะและกสังครัตนะ และพระคุณนันยิ่งใหญ่ของบิดาม า, ารดาครูบาอาจารย์หรือพระอุปราชอาจารย์ของเรารวมเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากไหลผ่านกลางท่อแก้วใสๆภายในกายของเรา ที่เราสมมุติว่าเป็นที่โล่งว่างๆกล ว, วงภายในไม่มีตับไตไส้พุงเป็นที่โล่งว่า ง, งๆเหมือนท่อแก้วใสๆก็แสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพดังกล่าว ก็ไหลผ่านกลางกายภายในของเรากลั่นให้สิ่งที่เป็นมลทินของใจเราหมดสิ้นไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความหงดอีกมุนงานความฟุ้งซ่านความาญใจ ความงอกงงซมสาวงงเงาหันนอนอยวอนทั้งห้าอุปกิเลตทั้งหลายมีบาิบาปสักศิกษ์มีบากกรรมมีบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่มีดีต่างๆให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ละลายหายสูญไปให้หมด เหลือแต่ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดควรไฟฟ้า ไม่มีตำนิกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดสหรับท่านที่ยังไม่รู้จักว่าอยู่ที่ตรงไหนให้สมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนํามาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสอง ตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชีกับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อมเมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ร้อยเปอร์เแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจหลังจังหยุดไม่สนิทเราหาสานที่จิตไม่เจอก็จะง่ายๆว่าอยู่ที่กลางกายกลางท้องของเรา ในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำให้ง่ายกว่านี้ก็คืออยู่ตรงกลางท้องของเราจำง่ายๆแค่นี้เราจะความบริสุทธิ์เบื้องต้นดังกล่าวปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ เป็นดวงกลมคล้ายกับดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์พระดุษฎีลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ ยางที่ยังวันปรากฏเกิดขึ้นที่กลางท้องตรงนี้นะจ๊ะให้นำใจของเราที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใส หายใจหยุดไปที่จุดกล่งกลางของดวงใสๆตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักหรือเราคุ้นเคยไอ้นึกง่ายๆเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักนะจ๊ะ เช่นคาขายทุเรียนก็นึกถึงทุเรียนได้ง่ายแต่คาขายเงาะก็เห็นเงาะง่ายถ้าคาขายมังคุดก็นึกได้ง่ายจะคาขายสลัเปาก็นึกง่ายจะคาขายมุกก็กลมเห็นมุกง่ายจะคาขายเพชร กานึกถึงเพ็ดง่ายจะค้าขายดอกบัวดอกไม้จะนึกภาพเหล่านั้นได้ง่ายๆ ง, ง่ายอย่างนี้นะลูกนะให้นึกง่ายๆอย่างนี้คือนึกถึงดวงใสใสกลมรอบตัวนะให้ง่ายเหมือนนึกถึงสิ่งที่เราเห็นเจนตาง่ายอย่างนี้ เรียกว่าการตรึกไม่ใช่หมายถึงการเพ่งลูกแก้วบังคับใจเคนภาพให้เห็นดวงแก้วให้ชัดๆในกลางท้องหรือควรหาดวงแก้วในที่มืดไม่ใช่อย่างนี้นะจ๊ะแค่นึกอย่างสบายๆถึงดวงใส อนี้เรียกว่าการตรึกเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดถึงตรึกนึกถึงดวงใส <c oughs> ก็หมายเอาอย่างนั้นนะตรึกนึกถึงดวงใสใจยจุดๆที่กลางดวงใสใสให้ได้ตลอดเวลาถ้าหากว่ามันเผลออดเผลอไม่ได้เพราะใจมันคุ้นเคยกับการนึกคิดเป็ น, นเรื่องราว ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเผลอก็ไม่เป็นไรพอเราตัวก็ดึงกลับมาใหม่แล้วก็มาตรึกอย่างง่ายๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจยุดที่กลางดวงใสๆอย่างนี้เรื่อยไปเลยแต่ถ้าหากเราก็ได้พยายามทำอย่างนี้แล้ว มันก็ยังอดฟุ้งไม่ได้ก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาโดยให้เสียงคำภาวนานั้นเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงสวดมนต์ในใจหรือเพลงที่เราชอบเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้ใช้กำลังท่องมน โดยไม่ได้ใช้กำลังท่องบนนะจ๊ะให้ภาวนาในใจว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังถึกนึกถึงดวงใสใจหจยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอระหัง สมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจใจหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเราจะมีอากา ร, กราคลาดคลาเราลืมภาวนาสมมาอรหังแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นตรึกนิ่งอยู่กลางดวงใ ส, ไส เรือมีความรู้สึกว่าอยากเอาใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่กลางดวงโดยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอารหังจะเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนีนะ้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอารหังอีกให้เติบนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ อย่างนี้แค่นี้เท่า น, นั้นนะจ๊ะเมื่อเราทำถูกวิธีการอย่างนี้นะต่อไปใจก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆโดยสังเกตว่าเราจะเริ่มรู้สึกใจโลง่งโปรง่งเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้บางคนเอามือ เอามือยึดพื้นเอาไว้เลยกลัวจะลอยไปถ้ามีอาการอย่างนี้แล้วก็อย่าไปตกใจกลัวอย่าขยับตัวแล้วก็อย่าลืมตาอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปใจก็นิง่งนิ่งไม่จินดียินร้ายกับอะไรทั้งสิน้นมันก็จะละเอียดลงไปอีก จนถึงในระดับที่ร่างกายของเราหายไปเลยคล้ายกับไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนจะไปู่อีกมิติหนึ่งที่มีความรู้สึกควงคว้างโลง่ลงๆเหมือนอยู่กลางอวกาศใสๆและแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธ ก็จะปรากฏเกิดขึ้นตั้งแต่สว่างเหมือนฟ้าสังสารเพาสังสารเหมือนตอนที่ห้าในฤดูร้อนยิ่งเรานิ่งใช้เฉยนะเข้าความสว่างเหมือนฟ้าสังสารก็จะค่อยค่สว่างเพิ่มขึ้นเหมือนยามเช้าตอนหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเหมือนยามสาย เจอจาขึ้นเหมือนยามสาย9โมง10โมง11โมงจนกระทั่งเจอจ้าเหมือนยามอาทิตย์เที่ยงวันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็น แ, แสงที่เนียนตาละมุนใจนั่นแหละคือแสงแห่งความบริสุทธิ์ ใจใจหลุดออกจากนิวรณ์จากความมืดจากความคิดที่จำเจกับเรื่องกามเรื่องวัตถุสินของเรื่องความกำหนัดยินดีในกล้ามในเรื่องเพศเรื่องความขุ่นโม่โกรธเครืองคนนั้นคนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีไม่แจ่มใสหรือสงสัยลังเลเครือแคลง มีคำถามอยู่ในใจเรื่อยๆความฟุ้งไปในเรื่องราวต่างๆความท้อความง่วงเป็นต้นพอมันหลุดมาได้มันก็สว่างเจอจ้าเป็นแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่เนียนตาละมุนใจต่างจากแสงอาทิตย์ ที่เคืองตาโดยแล้วแสบตาน้ำตาไหลอย่างนั้นแต่นี่สบายตาสบายกายสบายใจพอเรายิ่งนิ่งอย่างสบายสบยหนักเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นแหล่งกำเนิดของแสงเป็นดวงใสๆกลมรอบโตว หเห็นดวงธรรมคลมรอบตัวนั่นหละก็เรียกว่าดวงธรรมความบริสุทธิ์เบื้องตน้นปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นกายในกายที่ซ่อนกันอยู่ภายในแต่เราไม่ทราบว่ามีกายในกายซ่อนอยู่จึงกทั้งใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นไปตามลำดับ ก็จะเข้าถึงกายในกายที่มีอยู่แล้วภายในคือการมันละเอียดกายที่พรมอรุภพรมซ้อนกันอยู่ภายในจกกึงกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายหรือกายธรรมเป็นพุทธลัณนะอยู่ในกลางนั่นแหละเห็นกายองค์พระที่สวยงามมา ลักษณะสวยงามมากไม่มีทิติสวยเกินสวยและก็ใสเกินใสสายขว า, าความใสใดๆในโลกแม้แต่ความใสของเพชรก็สู้มสไม่ได้เกตอโวตูเหมือนดอกัวสัตบุงกฎที่ตั้งอยูย่บนจอมขาหม่อมบนประเสีของท่าน เป็นกายองค์พระที่มีเกตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ยิงใจเราหยุดนิ่งในกลางองค์พระไปเรื่อยๆองค์พระก็จะยิ่งขยายเพิ่มขึ้นสว่างสวัยใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะผุดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ อ, งงอย่างนี้ เรื่อยไปเลยยิ่งเราทำหยุดนิ่งหยุดในหยุดในถูกส่วนก็จะเห็นไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะให้ทำหยุดกับ น, นิ่งอย่างเดียวนละลูกนะใจจะได้ใสใสโดยเฉพาะวันนีนะ้เป็นวันพิเศษและก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ของชาวพุทธเพราะว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราท่านได้ประสูติตรัสรู้และก็ประดิพานในวันนี้เนี่ยตรงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ตรงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในวันเพ็ญึ้นส5บ้าคำ่ำกลางเดือนหกึ้นส5้าคำ่ำเดือนหกใสสว่างเจจิาประสูตัสสรุ ป, ปริิพานเป็นวันของพระองค์ท่านคราชาวพุทธก็จะต้องมา น, นึกถึงพระองค์ท่านด้วยความเคารพ ได้ความเรื่มสที่ท่านมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายถ้าหากไม่ได้พระองค์มาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตแล้วลวก็ชีวิตของเราก็คงจะมืดมนอนตะ ก, การคงนำเนินชีวิตของเราผิดพลาด ซึ่งจะเป็นภัยใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราคือจะทำให้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้มีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจร่ำพิไลลำพันธ์หรือแม้ตายแล้วก็จะต้องไปมีทุกข์อยู่ในอบายในอบายภูมิซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่า ชีวิตหลังจากตายแล้วมันยาวนานถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดจะต้องไปตกอยู่ในชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ร้อนลำบากกว่าตอนมีชีวิตที่เป็นกายมนุษย์อยู่อย่างแสนสาหัสทีเดียวต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องเป็นอสุรกายต้องเป็นเปรต ต้องเป็นสัตว์เดราาัจฉานซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนเลยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราพอเห็นได้ในตาเนื้อหญิงจบตุกแก่หมูม้ากาไก่เราเห็นได้แต่พวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวเลยว่าสัตว์เดรัจฉานก็นดีเปรตก็ดีอสุรกายสัตว์นรกเนี่ย มันมีความเป็นมาอย่างไรแ้วเราจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนมันอันตรายตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้คำแนะนําสั่งสรรอนจากพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตปิดพลาดพอพลาดมีชีวิตอยู่ก็ทุกข์ตายแล้วก็ยังทุกข์อีก จะไปเกิดเป็นสัตว์เะรลช้าเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกซึ่งมีเรื่องราวเยอะแยะมีชีวิตที่มีกระความทุกข์ทร ม, มานอย่างเดียวแม่พ้นทุกข์จากสิ่งเหล่านี้จากอบายแล้วทำมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความทุกข์ด้วยบาปอากุศรลกรรมที่ทำเอาไว้เพราะไม่รู้ ก็ยังส่งผลให้มีทุกข์ในสังสารวัตอีกจะเกิดในกำเนิดที่ต่ำร้างแม้เป็นมนุษย์ก็เกิดในกำเนิดที่ลำบากยากเข็นอยในสิ่งแัดล้อนที่เป็นพิษทาให้ชีวิตติดลําเค็นอยู่ลําเค็นทีเดียวแหละอดอยากยากจนต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอด พรความอยู่รอดนี่แหละบางทีก็จะต้องดำเนินชีวิตผิดพลาดไปอีกพระผิดพลาดก็ทุกข์ซ้มไปเกิดในอบายวนกันอยู่อย่างนี้นี่มันอันตรายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพระพุทาธเจ้าถึงยังมีพระคุณต่อเราอย่างมหาศาลทันทีเดียวทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะเรารู้เรื่องราวของชีวิต พอถูกต้องแล้วเกิดประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันชาตินี้ทันที่ที่ปฏิบัติตามคําสอนทั้งท่านตแต่ให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวันมาเราก็ได้รับรสแห่งความสุขที่เกิดจากการให้จากการบริจาคจากการรักษาศีลให้ความปลอดภัยในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์ให้ความปลอดภัยในชีวิตของครอบครัวเขาให้ความปลอดภัยในยชีวิตของตัวเราเองด้วยการพูดสิ่งที่จริงที่มีประโยชน์ไม่โกหกหลอกลวงให้ถ้าก็ให้ความปลอดภัยในชีวิตของผู้อื่นด้วยความจริงแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับตัวเราด้วยการมีสติ ให้มีนิสัยที่ดีเหมือนเดิมไม่ใช่เปลี่ยนนิสัยไปเพราะการดื่มสุราซึ่งจะทำให้ชีวิตตกตำ่ำมีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยและความสุขเกิดกได้จากการทำใจหยุดนิ่งเกิดเจริญสมาธิภาวนาพระโยชสุขจะเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีที่บริจาคทรัพย์ให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ยังมีสุขเมื่อนอนอยู่บนเตียงคนป่วยแม้สังขารจะถูกรุมเล่าเดีโดรกภายแคเจ็บแต่ใจนั้นผ่องใสมั่นคงด้วยคำสอนของพพุทธเจ้าที่เราให้เรานึกเรารึกนึกถึงความดีที่เราได้กระทำเอาไว้ ใจก็จะองค์อาจกลาหารแม้ในายามเจ็บเป็นคนป่วยที่ส ง, งา่าและความตายก็เป็นสิ่งที่น่ารักไม่น่ากลัวความตายจะน่ารักหรือน่ากลัวก็วอยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะได้ทำตามคำสอนของพระสมมติเจ้าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา กายวาจาใจของเราเต็มเปี่ยมอุดมไปด้วยความดีเนี่ยมีสุขแม้วันสุดท้ายยิ้มสุดท้ายก็ยังสุขและสุขต่อไปในชีวิตหลังจากตายแล้วอีกได้ประโยชน์ในอนาคตคือสุขในสุคติโลกสวรรค์ได้อานุภาพแห่งบุญ ที่เราได้กระทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิพดาอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ตามกำลังแห่งบุญที่เราได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาโดสิตานิ ม, มานนารดีเป็นต้นบางพวกได้สุขยิ่งกั่นี้ก็ไปอีก ก็ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญสมาธิภาวนาได้ข่าวถึงฌานสมาบัติได้เป็นฌานลาภีบุคคลได้รูปสมาบัติก็ไปบังเกิดในรูปภพเป็นรูปภพม์ได้อารูปสมาบัติก็ไปเกิดในอรูปภพเป็นอรูปภพม์มีสุขหลังจากตายแล้ว นี่ก็มีมากมายหรือปฏิบัติตามความสอนของพระองค์ท่านจงกระทั่งได้ประโยชน์อย่างยิ่งเกิดเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและก็เป็นพระอระหันต์เป็นพระโสดาบันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกินเจชาติ อาจจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวโลกไม่เกินเจ็ดชาติก่บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วหรืออาจจะเกิดระหว่างเทวโลกกับเทวโลกมนุษย์กับเทวโลกเป็นอย่างไรคือพอหมดบุญจากสวรรค์แล้วก็ลงกลับมาเกิดในมนุษย์ที่เราอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็สร้าง บรมีเลื่อยไปเลยทานศิ้นภาวนาะให้แก่กล้าหนักยิ่งขึ้นไม่เกินเจ็ดครั้งอย่างนี้แหละเป็นพระอาราหันต์แล้วนี่เขเรียกว่าพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีนี่ก็ไม่เกินสามชาติจะทั้งเทราว่างมนุษย์กับเทวโลกหรือเทวโลกกับเทวโลกก็เช่นเดียวกันหรือพระนาคามีนูนอยู่ปัญจสุทาวา อยู่พรมนูนไม่มาเกิดในมนุษย์ได้ทําความพี้นหนักก็ไภละสังโยชน์บนสูงได้ก็เป็นพระอาหารหันต์ดับขันธปริิภาโดยท่านปัญจสุทาวาตเป็นพระอาหารหันต์เข้าสู่อายตนาฏิพานพระผู้เจ้าของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ยชาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีความสำคัญมากทีเดียวกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านมีการดำเนินชีวิตหรือการฝึกตัวของท่านแตกต่างจากาศาสดา อ, อื่นการบังเกิดขึ้นของพระส ม, มอสมุจจาของเรา แต่เดินท่าน่็เป็นผู้ทุชนธรรมดาเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้แหละเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่จิตใจไม่ธรรมดาในชาติแรกที่มีบันทึกเอาไวนะ้เลือสินค้าอับปางทุกคนดังจะเกียดตะกายเอาตัวรอด แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่คือมีความคิดที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปในโลกที่มุ่งแสวงหากามกินเกียรติยศชื่อเสียงท่านอยู่ในเรือสินค้านั้นที่อับปาง ว่ายน้ำมากลางทะเลมีมารดาแบกอยู่บนบ่าใต้น้ำก็มีสัตว์ลายสัตว์น้ำสัตว์ดุ ก, ก็มีสัตว์ธรรมดาก็มีทั้งกินพูดกินเนื้อมีหมดอยู่ในนั้นคลื่นลมก็รุนแรงกระแรงขนาดหรือสินค้าอับปางเนะี่ยคลื่นมันจะสูงขนาดไหนรี่ยวแรงก็มีจำกัด เหรือฝั่งแผ่นดินนั้นก็มองมาเห็นทุกคนที่อยู่ในเรือสินค้าตามก็ร้องโวยวายทลนทุรายแล้วก็จมน้านตายไปแต่ท่านแม้มีมารดาแบกอยู่บนบ่าใจของท่านมันเหลือเกินจริงๆท่านมุ่งเลยว่าข้าพเจ้าตั้งใจที่จะพามารดา ไปถึงฝั่งไหได้โดยเรี่ยวแรงของตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะพาไปและถ้าหากว่าขาพเจ้าเนี่ยได้ถึงฝั่งก็จะขนคนหมดเลยไปสู่ฝั่งนั้นคือฝั่งพระนิพพาน ต, ต่างความปรารถนาเป็นปสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลางทะเลท่ามกลางมรสุมนั่นะ ไม่ใช่อยู่เวลาอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินอร่อยไม่ใช่ทามกลางมรสุมตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตั้งแล้วก็สร้างทาง่านกลับมาระลึกนึกถึงเลยเน่อะไรเนี่ยที่จะเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ก็พิจารณาด้วยสติปัญญาของตัวเองก็สาบต้องสร้างทานบรมีก่อนต้องมีสเบียงก่อนถ้ามีสเบียงแล้วพอทานเป็นเหตุให้เกิดรั์พอมีรัพย์แล้วจะให้ทานต่อไปเป็นมหาทานบรมีมันก็ง่ายมีรัพย์แล้วมันปลอดปัญหาปลอดแรงกดดันเพราะไม่ต้องไปทำมหากิน ไม่มีนี่มีสินไม่ต้องลําบากในการทํามาหากินต้องไปแข่งขันมีคู่แข่งบ้างคู่แข่งบางเจอปัญหาแรงก็ด้นันต่อสู้กับดอกเบียบ้ยบางต่อสู้กับทีมงานบางต่อสู้กับคู่แข่งบางต่อสู้กับสถานการณ์ของโลกบางต่อสู้กับดินอากาศฟ้าต่อสู้สารพัดเพื่อให้ได้ทรัพย์มา แต่พอมีทรัพย์แล้วได้อนุภาพแ่งทานบารมีจะให้ทานต่อไปก็สะดวกจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาก็ง่ายจะบำเพ็ญในข ม, ม, มัติบารมีจะชั่วคราวหรือยาวนานก็ได้ในขมมะก็คือการประพฤติพรหมจรรย์รมมตั้งแต่ระดับชั่วคราวถือศีลแปดชั่วคราวหรือว่าจะยาวนาน จะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายหายปีมันก็ง่ายพอง่ายข้าวใจมันปลอดโปรง่งสมาธิเกิดปัญญาความรอบรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับชีวิตรู้วิธีที่จะดําเนินชีวิตให้ไปสู่จุดหมายปลายทางก็ง่ายจะสร้างปัญญาบารมีในเข้าใจชีวิตทุกานาคก็เข้าใจได้ง่าย เพราะว่ามันมีเชื่อจากการประพฤติพรหมจรรย์บาเพ็ญเนคขมะมาแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดปัญญาก็ตามมาเข้าใจชีวิตทุกด้านเลยไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเหมือนมองมุมใดมุมหนึ่งหรือมองต่างมุมถ้ามวัวจะมองมุมมันก็ไม่เห็นทุกด้านมันเห็นแค่มุมแต่ถ้ามองตรงกลางมันเห็นรอบด้าน รอบด้านทีเดียวสามรอหสิบองศาทุกด้านซึ่งสรุปแล้วก็มีอยู่สองด้านคือด้านดีด้านชั่วด้านทูกด้านผิดด้านประโยชน์ด้านอันไรไม่เป็นประโยชน์ด้านคุณด้านโทษด้านบุญด้านบาปด้านมืดด้านสว่างได้ทุกด้านครบหมดเลยคนเราลองรู้แค่สองด้านนี้ก็ครบทุกด้านนั่นแหละพอรู้แล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีงามนะบริยะบารมีคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีก็บำเพ็ญได้ง่ายตามลำดับแต่ไม่ใช่ชาติเดียวตั้งแต่ตั้งความปรารถนามาเนี่ยบำเพ็ญบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาเนี่ยนับพบนับชาติก็ไม่ทวนทีเดียวขนาดควักลุกในตายก็แล้ว บริจาคเลือดเนื้อกันแล้วนะชีวิตก็แล้วเนะี่ยท่านออบามาว่าควักลูกในตาบริจาคทางนะมากกว่าดวงดาวในอากาศเนื้อมากกว่าแผ่นดินนะเลือดยิ่งกว่าแผ่นน้ำเนะี่ยชีวิตก็มากมายเหลือเกินตฏิสัณฑเนี่ยมากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปก็คือมากมายก่ายกองทีเดียว ได้รับการสั่งสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนกอนก็นับพระองค์นันไม่ทวนอีเดียวแต่ว่าไม่บรรลุมรรคผลทิพผานในพระรุจเจ้าพระองค์นั้นๆก็เพราะความปรารถนาจะจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสั่งสมอบรมบุญบารมีมาสั้งปัญญาบารมีศรัทธาปริยะความเพียรทุกอย่าง มากพอที่จะสอนตัวเองและสั่งสอนสัตว์โลกได้มากพอที่จะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายนัทุหมดนิพพานพบสามโลกกันบรมีมากพอถึงขนาดนี้พอมากพอก็ไปเป็นบรมโพธิสัตว์ รอการบรรจุตำแหน่งเป็นพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าที่ชั้นโดยสิษสวรรค์ชั้นที่สเป็นเท้าสันตโดยสิษย์ผู้ปกครองพบสวรรค์ชั้นเดสสิทยรอคอยวันเวลาในการที่จะบังเกิดขึ้นในมนุษย์โลกเพื่อเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตของสรรพชีวิตทั้งหลายนะระหว่างรอคอยก็ ได้ทำนาทีของผู้ปกครองพบชนเดสิหนาทีของเท้าสันตเดสิตอย่างดีเยี่ยมเมื่อถึงหีถึงคราวที่จะได้เป็นประสมมอสมุติจ่าเทวดาทั้งหลายเทวดาทุกชั้นเลยจตุมหาราชกาเดวะดึงยามาเนะี่ย ดืิ์นิมมารดีพระนิมิตวัสดีพรหมส6หกชั้นอรุพพรมสี่ชั้นไปทางขวาก็ตามจักรวาลต่างๆแต่งแต่มหมื่นโลกธาตุแสงโกฎโลกธาตุมารวมประชุมกันหมดเลยอัญเชิญท่านมาบังเกิดเป็นประสมม่มบุตรเจ้าซึ่งจะเทียบกระการมาเกิดขึ้นของศาสดาอื่น ตรงนี้ไม่มีไม่มีเลยที่ว่าจะอัญเชิญมาเกิดได้ไม่มีอยู่ๆก็พลึบขึ้นมาแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้ลงไปดงไหนก็ไม่รู้แต่ดูนะพระพุทธเจา้าของเราเทวดาเนี่ยพระมารูปพร ม, มาอัญเชิญให้บังเกิดขึ้นเวลามาอัญเชิญตั้งกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา้าของพระบรมโพธิสัตว์นะ พระองค์นะ่ยมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์ธรรมดาสร้างบารมีกันมาอย่างไรเขาก็ปรารถนาไปเรื่อยเลยจนกทั่งบารมีของพระองค์เนะ่ยเต็มเปี่ยมแล้วขออัญเชิญในวันบังเกิดเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์โลกทั้งหลายด้วยเถิดกราสรรเสริญคุณชื่นชมต่างๆทีเดียว บรโลกนี้ขาดตะวันนี่มันก็มืดสนิทสัตว์โลกจะขาดพระองค์แล้วแล้วก็ดงใจก็จะมืดบอดจะไม่เห็นทางสว่างสองทางชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดอาจจะตกไปในอบายมีทุกข์อันยาวนานในสังสารวัฏในการสรรเสริญกล่าวถึงคุณงามความดีของท่าน พอจนกระทั่งท่านยอมรับด้วยอาการนิ่งอาการนิ่งนิ่งนิ่งแล้วตรวจตราดูการบังเกิดขึ้นจะลงมาเกิดที่ไหนดูศาสดราของเรานะจ๊ะเขาเรียกว่ามหาปัญจวิโล ก, ก น, นะดูทวีก่อนเทวีนี่ไม่ใช่ทวีเอเชียทวีออสเตรเลียหรือทวีอะไรต่างๆเหานั้นะคือดูโลกที่จะเกิดเทวีนี้หมายถึงโลกโดยมี ส่วกลางที่เขาสินเนลุมีชมพูทวีปมีอัมปราโคยานทวีปมีอุตรครุธทวีปมือภูพผาวิเทหทวีปคืออีกสี่โลกใหญ่ๆที่มีมนุษย์อยู่เหมือนโลกนี้ตรวจตาดูว่าจะไปลงทวีปไหนดีตัดสินใจมาชมพูทวีปก็มองว่าที่ชมพูทวีปมองดูการันเกิดใครมนุษย์ในยุคนี้อายุเท่าไร ควรจะเกิดในตระกูลไห น, นตรวจดูทั่โลกยกจ่องว่าสมัยนี้ตระกูลขัติยะตระกูลกษัตริย์ดีที่สุดในโลกก็จะเกิดในตระกูลกษัตริย์แต่หาเห็นว่าพรามดีที่สุดกจ็จะเกิดในตระกูลพรามดูหมดดูทวีปดูอายุไขของมนุษย์าอายุยืนมากกว่าแสนปีก็ใหม่ไปบังเกิดพระพุทธัออนิ จ, จังทุกขังอนัตาใหม่รู้เรื่อง พอมีชีวิตเหมือนเทวดามนุษย์ในยุคนั้นตั้งต่ำกว่าแสนปีเรื่อยมาแต่ก็ไม่น้อยกว่าสิบปีเพราะว่าถ้าน้อยกว่านั้นกิเลส ข, ของมนุษย์กล้าตอนอายุสิบขวบถ้ามนุษย์มีอายุแค่สิบขวบปีแล้วตายเนะี่ยไปรับแต่งงานแค่อายุห้าขวบหกขวบเพราะว่ า, าราคะกิเลสมันกล้าพวกนี้แนหะาราคะมันบังตาหูมันอื้อจะแนะนำสั่งซ้อนอะไรมันลําบาก ยุคนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอายุสิบ2อ3ดสิบสองสิบสามก็เริ่มจะหูอือตามมั่กันไปแล้วปราคะกิเลสความกำหนัดยินดีกำลังก็ไปครอบงำกำลังเปลี่ยนคู่กันเหมือนสัตว์โลกที่น่ารักทั้งหลายเนี่ยเหมือนแมวเหมือนอะไรคล้ายแมวอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้น สิบขวบลงใบไม่เกิดแสนปีขึ้นไปไม่สอนไม่มาลองเกิดดูอ๋อมนุษย์ยุคนี้ไม่เกินร้อยมีเกินร้อยก็ไม่มากแล้วก็ดูดูว่าเกิดในตระกูลไหนมองดูเห็นว่าตระกูลกษัตริย์ดีก็จะเกิดในตระกูลกษัตริย์ถ้าพรามดีก็เกิดในตระกูลบราม และก็มองดูใครควรจะเป็นพุทธบิดาพุทธมารดาเพราะผู้ที่จะมาเป็นบิดามารดาเราโดยเฉพาะพุทธมารดาไม่ใช่เห็นว่าเป็นคนหรือเห็นเป็นผู้หญิงแล้วใครก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะต้องสร้างบารมีในพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนและก็สร้งความปรารถนาจะเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจา้าพระองค์หนึ่งในอนาคต โดยเฉพาะเราอย่างนี้เนี่ยก็ตรวจตาดูเคยสร้างบุญร่วมกันไหมพุทธมารได้เคยปรารถนาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือเปล่าพระพุทธมารได้ต้องมีศีลห้าเป็นปกติถึงเันอุโบสถเก็ถือศีลแปดเนี่ยแล้วก็รักเดียวใจเดียวโดยเฉพาะ เป็นพรมอาจารมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละไม่เคยมีราคีมาก่อนเลยเพราะว่าห้องแก้ว น, นั้นจะต้องเป็นที่ปฏิสถานของบรมโพธิสัตว์ที่มาเกิดจะไปมีราคีข้าวอะไรไม่ได้จะต้องบริสุทธิ์พุทธพง์ยกเว้นพุท ธ, ธบิดาเท่านั้นแหละเพื่อการนี้นี่เท่านั้นตรวจตาดูอย่างดีเลยที่นี่บางศาสดาเนี่ย ไม่ลงมาจากไหนลงมาเกิดที่ไหนนะแล้วก็บิดาก็ไม่ชัดเจนแต่ของเราพุทธบิดาคือพระเจ้าสุดโททนัประวัติชัดเจนทีเดียวพุทธมารดาพระนางสิริมหมามายาชัดเจนมีทั้งพ่อทั้งแม่ไม่แท่ลงกรรมพระเวลาเกิดจะกรรมเพศกรรมรอยทีเดียว มองตรวจตาดูเวลามาจะมาสู่คันพุทธมารดาก็มีนิมิต ท, ที่ดีมาก่อนมหาสุบินมันเกิดขึ้นแก่พุทธมารดามีช้างเผือกนำตัวบัวจากสาอนโนดาทำมาให้แล้ว่าเมื่อเข้าสู่คันพุทธมารดาแผ่นดินหมื่นโลกธาตุแผ่นดินแผ่น น, น้นสะเทือนเลื่อนลั่น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อสรพพชีวิตทั้งหลายสะเทือนให้รู้ว่าผู้มีบุญนำมาบังเกิดแล้วก็จะไม่เห็นศาสดาใดเนี่ยเวลาบังเกิดแล้วแผ่นดินสะทือนตลอดมื่นโลกธาตุอย่า่าแต่มื่นโลกธาตุเลยแม้แต่โลกเดียวเฉพาะติดตัวเกิดก็ยังไม่มีนี่มื่นโลกธาตุและในนั้นยังพาลานถึงว่า คนพิการกลายเป็นคนดีคือตาบอดกลายเป็นตาดีคนง่อยเปลี่ยนเสียยขากข็ขาดีพิการก็เป็นคนดีคนใบคนบ้าก็กลายเป็นคนดีสติปัญญาอ่อนเป็นโลกเ อ, อ๋อก็กลายเป็นคนดีผูกกับรูเรื่มคนมีสิ้นมีทำผลลหมากลากไม้ ก, ก็ออกดอกออกผลนอกกระดู ก, การออกมากับผลมีโอชาลด ดอกไม้กับปริดอกออกผลพิดอกส่งกลิ่นหอมฟุง้งตลบไปหมดทีเดียวคือมีความปิติยินดีตลอดมือโลกธาตุเวลาประสูติก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วประสูติแล้วเดินได้นี่เป็นอาจินไตเป็นอาจินไตทีเดียวคือมันเกินกว่าความคิดของมนุษย์ไม่ว่าจะจบสูงแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย คิดไม่ออกแล้วมันเกินความคิดเพราะว่ามันเป็นวิสัยของผู้มีบุญญลิทธ์มีบุญญลิทธ์เนี่ยเขาจะบังเกิดอย่างนั้นแล้วก็ดนบรรดาลให้สิ่งที่เป็นอัศจรเนือธรรมชาติเนื้อมนุษย์บังเกิดขึ้นมารองรับรองรับและบังเกิดขึ้นแล้วก็พูดได้แปลงอาสพิวาจาเกิดมาแล้วก็พูดไปเหมือนชาวบ้านเา้า ว่าท่นจะเป็นใหญ่ในโลกนี้มองไปตลอบทิศไม่เห็นใครจะใหญ่แต่พระองค์คำว่าใหญ่ที่นี้ไม่ได้มาเป็นมาเฟียหรือว่ามาเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรแต่ใหญ่โดยธรรม้วยความดีงามด้วยความถูกต้องดีงามด้วยความบริสุทธิ์เราจะเป็นใหญ่ในสิ่งนี้เนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเขาประกาศให้โลกได้รู้กัตั้งแต่วันเกิดทีเดียว ลักษานกระดยดำเนินชีวิตเรื่อยมาพุทธมารดาเมื่อทำหน้าทีต่ตรงนั้นเสร็จก็กลับไปสู่สวรรค์คือในคันของพุทธมารดาเนี่ยไม่มีไว้ให้สัตว์อื่นเกิดใครจะมาเกิดร่วมด้วยไม่ได้ก็กลับไปสู่สวรรค์ตอนนี้เป็นท้าวสันติสิทธิ์อยู่บนสวรรค์ชั้นที่สไปแล้วเนอส่วนพระบรมโพธิสัตว์ของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นแล้ว ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปด้วยความสุขสมกับเพื่นผู้ที่มีบุญอันสังสมมาดีแล้วเกิดในตระกูลกษัตริย์สิ่งแวดล้อมก็อำนวยความสะดวกที่มีสุขสบายดวงปัญญาก็เหลือหลายเจ็ดขวบเรียนความรู้จากครูที่ดีที่สุดในประเทศเจดวันก็จบความรู้ของครูแล้ว แถมถามครูวิศวามิตรว่ามีอะไรที่จะสอนอีกไหมไม่มียังไม่มีสิทธิ์คนใดในโลกถึงปัจจุบันนี้เอามาปัจจุบันนี้แหละเราเห็นชัดๆเออครูมีอะไรจะสอนหนูม้างไหมสอนผมไหมเห็นมีแต่ว่าครูจะออกให้มันยากทึ้นนะผมแย่ต้องมานั่งเก็งข้อสอบ ลำบากกันทีเดียวไม่ว่าพระว่าเนนไม่ว่าจะเป็นหนูเด็กชายเด็กหญิงเหมือนกันเลยกลัวครูกลัวครูออกข้สอบกลัวตอบไปแล้วเนี่ยมามิดถูกใจครูเนี่ยกลัวตกอ่ะตอนีมาดูบรมโอริษณ์ของเราเจ็ดวันนั่นน่ะจบแถมถามอีกมีอะไรที่จะสอนอีกไหม ถามครูอย่างนี้นะมีหนูน้อยคนไหนเจ็ดขวบถามครูอย่างนี้นะครูที่ดีที่สุดในประเทศที่พระพุทธบิดานะผู้มีอานุภาพมากไปกวานมาเลยดูว่าใครนะมีความรู้ดีที่สุดเอามาเป็นครูของลูกตัวนะแต่มาถึงเจ็ดวันแาวนั้นโลกตัวเรียนจบแล้วศิลปศาสตร์18บปฝการระสูงที่สุดในยุคนั้นเรียนจบหมด ไม่นานเท่าไหร่เลยท่านมีปัญญามากได้อานุภาพแผงบุญบารมีความดีที่ท่านสั่งสมอบรมมาฝึกฝนตัวเองของท่านมาเด็กกายดดวยวาจาด้วยใจแตกฉานความรู้หมดแม้แต่ในวันที่จรดท่า น, นังคันแลกนาควันนั่งอยู่ใต้ตนว่าถ้าเป็นเด็กธรรมดาก็วิ่งเล่น แต่ว่าบรมโพธิสัตสิทตะราจุกุมา น, นั่งโคดต้นวาไม่ใช่นั่งเล่นนั่งขัดสมาดขัดสมาธิคู่บาลังดำรงสติมั่นทำใจหยุดนิ่งเข้าถึงปฐมอมมัชถึงดวงใสใสในกลางกายเห็นหนทางที่จะไปสู่อาญัตนานิพพานแล้วเป็นดวงใสใส สว่างเจดจ้าที่เดียวเงาว่าในยามบ่ายนะยังมีอยู่ให้ล่มเงาแสงอาทิตย์คงที่ไม่ส่องแสงแผดกล้ามาต้องกายมหาบุรุษสิทธะราชุกรมันผู้ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางเห็นดวงใสเป็นอัศจรรย์จนพระราชบิดา ย, ยกมือพนมนะ ก็ไม่เคยเห็นพ่อเนียวายลูกเนี่ยที่อายุเจ็ดขวบแล้วก็ทบิดาพระเจ้าสุดโททนะวายตั้งแต่เกิดใหม่ตอนเกิดใหม่ไปเชิญฤอสีมาตรวจดูนอรลักษณ์ดูงโงห่หงุดหงิแล้วโอ้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนถ้าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าถ้าครองเรือนก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ แล้แถมลอยก็ไปอยู่เหนือทิะของฤาษีน่พุทธบิดาต้องยกมือพนมไหวนั่นชื่นชมบุญของลูกในครั้งแรกนี่ครั้งที่สองชื่นชมอีกแล้วครั้งที่สอง <c oughs> ก็ยังไม่เห็นพ่อของใครเนี่ยยกมือชื่นชมลูกตั้งแต่เกิดจนกระทั่งรูปอายุได้เจ็ดขวบยังไม่เห็นพ่อในโลกคนไหน ชื่นชมบุญบรมีแล้วก็การออกบทก็ดีเรื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงการศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปสู่การตัดสูุธรรมนี่ก็เป็นความคิดของบรมเองเต่ตั้งแต่เห็นเทวทูตทั้งสี่คำวาเทวทูตในพระพุทธศาสนา ต่างจากเทวทูตของคาสอนอื่นเนอยเทวทูตในศาสนาพุทธเนี่ยเวลาเกิดขึ้นแล้วทำให้มหาบุรุษบรมโพธิสัตว์ได้คิดเคยเห็นคนเกิดคนแก่คนตายแล้วก็เห็นสมณะเห็นนักบวชซึ่งคลยๆก็เห็นเงนี้ยแต่เขาไม่ได้คิดแต่ท่านเห็นแล้วท่านได้คิด คิดแล้วก็ออกบวช ด, ดีกว่าอยู่ไปทางโลกก็งั้นงั้นมันตันย่งมากก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิตันอีกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่มันตันนะเพราะมันไม่รู้จะไปยังไงมันยังดับทุกข์ทางใจไม่ได้มันตันไปกระติดอย่าท่านตรวจอัตเทวทูตคำสอนอื่นอภไปคนละเรื่องกันนากลายเป็นไปสัีนําสาร มาบอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้อันนี้มันก็ละ ย, ยากันนะเพราะฉะนั้นนี่ท่านเห็นในพระทูท่านได้คิดได้คิดก็ออกบวชบวชก็สแสวงหาครูเจอครูคนไหนเนี่ยเป็นเรียนจบภายในะมีกี่วันทั้งนั้นเรียนจบเมื่อแต่งเก่งเขาสอบครูเขแรกก็ได้สมาบาดเจ็ดครูคนที่สองก็ได้สมาบาดแป แล้วท่านก็จะใช้คําถามเดิมเหมือท่านถามครูทั้งสองท่านหลังเนี่ยมีอีกไหมความรู้ที่จะสอนมีอีกไหมครูก็บอกกระจบแล้วมาเป็นครูด้ยวยกันเถิดมาเป็นครูด้ยวยกันเราจะยกย่องเธอเท่ากับเราเนะี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยเห็นครูคนไหนเจอสิทธิ์อย่างนี้เนะี่ยแต่สิทธิ์คนนี้เนี่ย ศึกษาตรวจตาเดสติในปัญญาของพระองค์แล้วเนะี่ยว่ามันไม่ใ่มันยังดับทุกไม่หมดแค่ถึงกายอารมณปพรพมตอนนั้นมันยังต้องเวียนว่าจะเกิดในวัฏฏสุงสารอีกมันจะต้องทะลุเลยกว่านี้นะ่ะนั่นแหละจึงได้สแสวงหาหนทางตัดสรุธรรมโดยพระองค์เองท่านก็ออกสแสวงหา โมกกระทําด้วยพระอ๋เองเองสแสวงหาที่ลื่นลมหาวิธีการตแต่บําเป็นทุกข์กรกริยาเรื่อยมาและมันก็ไม่ได้ผลมันลำบากมันเหนื่อยปางตายทีเดียวแล้วมันก็ไม่ได้อะไรในที่สุดก็ตัดสินใจในวันนี้แหละตัดสินใจด้วยอานุภาพแต่งบุญเก่าที่สร้างมหาทานบารมีมาดี ท่านก็เดินมางสุจดานำอาหารที่เลิกที่เดียวข้าวมัตุปายาใส่ถาดทองคำดเดียวเนีเพราะเคยเอาภาชนะเนี่ยทำบุญทำบุญในภาชนะกับทำบุญในอาหาร เ, เวลาจะตัดสรุธรรมเนี่ยทั้งภาชนะและอาหารก็ปราณีเกินกว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะพึงมีเนี่ย ด่สวยอาหารที่อร่อยในถาดที่สวยงามแล้วก็ไปสงสนานพระบรากายอาหารก็อร่อยถาดก็สวยสงสนานอาบน้ำด้ยความสดชื่นเบิกบานถาดนั้นจะเอาติดมือไปด้วยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เอามาเสียเส่ยงบุญเสี่ยงบรมิงเราดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเป็นไงเป็นกัน ไม่ได้ไม่เลิกเป็นไงเป็นการไม่ได้ไม่เลิกยอมตายก็ยเอาถาดน้ำมาอธิษฐานแต่ถ้าวันนี้นี่จะได้บรรลุมรรคผลผนิพพานเป็นพระอารหาันต์ัส ม, มาสมุทิเจา้าคนพบทางพลทุกข์เข่าถึงเอกันตะบรมสุขแ ล, ะละะ้วก็ห้ถาดนี้ลอยทวนนา้าก็ยังไม่เห็นาศาสดราไหนเนี่ยในวันบรรลุธรรม ได้เสเวยอาหารอร่อยอร่อยในภาชนะที่สวยๆได้อาบน้าให้สดชื่นได้อธิษฐานจิตลอยถาดและถาดก็ลอยทวนน้ำไปด้วยคือมันมีสิ่งที่จเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจให้กำลังใจโดยตลอดมีบางศาสตราไปนั่งเงียบๆอยู่ในถ้ม เจจูได้ยินเสียงเทวทูตบอกว่าไอ้ไอสอนจงสอนสอนอะไรก็ไม่รู้ได้ยินแต่เสียงน่ตกใยจวิ่งออกจากถ้ำกลับมาบ้านกลับบ้านคว้าพระห่มก่อนเลยเอามาทำไมคลุมโปง เพราะนั้นการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าของเราบรรลุโดยพระองค์เองไม่ได้ไปดูทรัพย์ความบรลุของใครมาท่านรับประทานอาหารอร่อยโดยภาชนะที่สวยงามสงสนามพระวระกายที่สดชื่นร้อยถาดทองด้วยแรงอธิษฐานเกิดกำลังใจปีติใจก็เป็นนั่งอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ทางทิศตะวันออกต้นอัษฎถพุทธไม้แห่งการตัสรุธรรม แล้วก็ตั้งมโนปณิธานสัจยาธิฏฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังทั้งมันไม่ได้ตายเถอะนิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อตัดสินใจตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์โกราหนขึ้นสิ่งที่จะทำให้เกิดคนกาโกราหนขึ้นไม่ต้องไปทำความชั่วหรอก ให้ทำแต่ความดีอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะโกลาหนุนชวนคนทําความดีชวนคนมาวัดไถ่ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชวนมาสร้างเจดีย์สร้างอะไราวิหารต่างๆเ่านี้เดี๋ยวก็จะโกลาหนุนขอให้ทำความดีเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเถอะท่านนั่งนิง่งอธิษฐานดีๆมาแล้ว มาเป็นทีมทีเดียวเยอะแยะอ่างกฎมงกฎไม้อ่างทีเดียวทีิบัตลังตรงนี้เ น, น, นี่ยไม่ใช่ของท่านและกระถามพวกเองว่าเองเออเองสลกเองหมดแล้วเอาเอาเอากฎหมายมาจับทีเดียวจะให้ลูกจ้าที่นัง่งที่อื่นก็เยอะแยะก็ไม่ไปที่ทั่วชมโพธิวีปพยายามมานไม่ไปต้นไม้ก็เยอะแยะในป่าไม่ไป มาที่ตนอัตถผลึกที่พระบรมศาสดาทนั่งอยู่ต่างสัตยญาติฐานและลุกไม่ได้แล้วนั่งนิง่งท่านก็นั่งดูไอ้พวกนี้มันจะทําอะไรของมันก็พูดตามภาษาผันพานก็มันเลื่อยเปลือยของมันไปอ้างเหตุอ้างผลอ้างอะไรสารพัดไปดีอย่างเงินอย่างนี้มันนั่งนิงน่งนิ่งอย่างนี้ได้ยังไงแต่ท่านก็เฉย ไปสู้ไปนี้ทำความดีเลยไปนิ่งใยนึกถึงบุญบารมีของท่านในที่สุดก็ได้ตัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากปัจนะพยามาไปแล้วนั่งอยู่คืนนึงทีเดียวสิบสองชั่วโมงบรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุทำแล้วท่านกฐิวเจาที่สั่งสอนความรู้โดยไม่ได้หวงแหนเลย ดูกิจวัตรประจำวันของท่านตื่นแต่เช้าขึ้นมาก็าตรวจตราดูสัตว์โลกด้วยธรรมกายอรหัตตรวจตราสอดยาณดูทีเดียวดูไปทั่วพบทั้งสามมีใครบ้างที่จะบรรลุธรรมถ้าอยู่ไกลก็จะหอะไปถ้าอยู่ใกล้ออ ก, ก็จะเสด็จไปเดินไป เดินไปหาไปพูไปจาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียาจกนณิพกจะเป็นชาวนาชาวไร่ใครก็แล้วแต่ไปสอนทังนั้นจะตื่นมาตรวจตาสัตว์โลกแล้วก็ออกไปบินถบายบินถบาตกลับมาก็เดินจงกรมบ้างพักผ่อนบ้างเพราะว่าทานพักน้อยนะ่ะแล้วก็ตอนเย็น แ, แสดงทมโปรดญาติโยมโปรดญาติโยมพุทธบริษัททั้งสี่ที่มาวัดและแสดงทำภไยละเบิงต้นทางกลางเบิงปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะพญชันชนะมุ่งให้ทุกคนได้บรรลุ ธ, ธรรมมุ่งทุกคนให้จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและ้วก็ตอนขวคก ให้อววาดแกพระภิกษุตกดึกถึงเที่ยงคืนนั่นแหละหลังจากให้อววาดพระภิกษุจึงทงภิกษุแยกย้ายไปบาเพ็ญสมณธรรมแล้วก็จะมีข้าราชการผู้ใหญ่เส่งกลางวันไม่ค่อยวางตั้งแต่พระราชามหาการัดโปรยหิทมหาหมาัดมหาเศรษฐีต่างๆเข้ามาสักถามปัญหาธรรมะ จนกระทั่งเทวดาทั้งหลายพอปัญหานี่มันคล่องใจทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาพอแก้ปัญหามนุษย์เสร็จเอาเทวดามาก็แก้ปัญหาของเทวดาไปแก้เสร็จจึงจะได้จำวัดจึงจะได้นอนพักผ่อนโดยสีหะสายญาติทำอย่างนี้ 45, สี่สิบหาพรรษาก็ยังไม่เห็นมีาศาสนาไหนเนี่ย มีพุทธกิจอย่างนี้หรือบำเพ็ญกิจอย่างนี้และดูตอนที่ท่านจะดับขันต บ, บริิพานโดยอาการที่สง่า ง, งามนอนด้วยลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสงบสงี่ยมสง่า ง, งามถามพุทธบริษัททั้ง 4, สี่ภิกษุภิกษุในอบาสุบสิกาทุกระดับชั้นเลยใครมี คำถามข้อสงสัยอะไรนะให้ถามเราสับตอนนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่สงสัยอะไรให้ถามก็ยังไม่มีศาสดาใดเนี่ยตอนใกล้จะตายได้ถามอย่างนี้กับพระสา ว, วกจริงๆนะนี่ไม่ได้ไปกันนะกันไหนหรือโจมตีใครแต่ตั้งเทียไให้เห็น เราจะได้ซึ้งในพระบรมาสารดของเราเพาพระบรมครูของเรานี้แม้เวลาจะดับคันทับริณิพพ์ยังสง่างามเมื่อถามแล้วไม่มีท่านก็เตรียมที่จะเข้าสู่นิโรธสมบัติก็มีสุภัตตาบริภาชคถามถามท่านก็ตอบตอบแล้วนักเรียนนั้นคือสุภัตตาบริภาชก็ไปทำตามได้ผลซะด้วย เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งเป็นองค์สุดท้ายและก่อนจะดับขันธปรธิพาน์ยังให้โอวาทแก่พุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอ่บาสกุบาสิกาทั้งหลายว่าให้ดำลงชีวิตอยู่ด้วยความไม่พระมาะเถอะชีวิตนี่เป็นของน้อ ย, ยควรใช้วันเวลาเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเนี่ยสร้างแต่คุณงามความดีให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนา ทำจิตให้บริสุทดหลุดพน้นจากกิเลอสอาศวะให้ได้นะแต่แปลความแล้วก็กล้คยๆอย่างนี้ถ้าไปนิพพานไม่ได้ก็ขอให้มันไปสูงๆไปอรุปรพ ม, ม, ม, ม, มังเป็นพระอริยะบุคคลชั้นพระอนาคามีจะไปอยู่ปัญจสุทาวาส ม, มังหรือตามกว่านั้นก็ให้อยู่ในพรม ม, ม, มมังในสวรรค์มังเป็นพระอริยะบุคคลจนกระทั่งเป็นชาลามีบุคคลหรือกัลยาณ์ตชนมีศีลมีธรรม จะได้อยู่ในโลกนี้อย่างผาสุกเขาสั่งสอนแล้วจึงดับขันธปริณีพรเข้ากลางของกลางไปเลยมีพระอนุรุท ธ, ธซึ่งเลิดทางทิพยจักขุมมองตามแล้วก็บอกว่าตอนนี้พระบรมศาสดาได้เข้าสู่มหาสมาบัติออกจากมหาสมาบัตินี้แล้วก็เข้าสู่อีกมหาสมาบัตินับมหาสมาบัตินับอสงไขสมาบัติไม่ทุวันทีเดียว พูดไปเลยให้กับพุทธบริษัททั้งสี่ที่ฟังก็ยังไม่เห็นศาสตราใดตอนดับที่จะละโลกได้สง่างามข่าวสมาบัติข่าวมาสมาธิจะบางท่านตายแบบที่น่าสงสารอาบางท่านก็ตายเหมือนคนธรรมดาตายคือเจ็บไข้ได้ป่วยตายและก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นข้อแนะนำ หลังจากเรื่องศพของตัวแนั่นแหละแต่ว่าพระบรมสารสดางเราเข้าสู่มหาสมาบัติมีพระอนุรุทะเป็นพยานและก็ให้พุทธบริษัททั้งสี่ได้รับทราบจนกระทั่งดับคั้งจักริริพภานด้วยอาการสง่างามอาถรรพ์ความสอนพระองค์ก็สืบทอดมาเป็นติปึ่นทอชาวโลกจนกระทั่งบัดนี้เนะี่ยวันนี้เป็นวันพระพุทธเจ้าให้ลูกทุกคนเนี่ย ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราเป็นอารมณ์จิตใจจะได้ผ่องใสเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและสติปัญญาวิมานบนสวรรค์ของเราก็จะได้เจิดจ้าสว่างสวัยได้อานุภาพแห่งบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ต่อจากนี้ไปก็ทําใจให้ใสใสนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกอนุวินาทีทุกลหมหายใจเขาออกนะลุงนะ